อนาปฏิวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอวบคือ 1,149 1. พัอิกษหนึ่งพิุีผู้บ่นว่าพิกษุีสงฆ์ที่มักกระทำไปด้วยความชอบด้วยความชังด้วยความหลงด้วยความกลัวสองพิกษุีวิกลจริต 3. าพิกษุีต้นบัญญัติศิขาบทที่6จบ